ครูนะคุณร้อยบทก็เป็นการพันธนาถึงพระคุณสมบัติของพระพุทธองค์ร้อยประการก็นับว่าเยอะทีเดียวนะแต่ว่าก็สามารถจะสรุปย่อดได้เหลือเก้าประการอย่างที่เราสวดทุกเชา้า แล้วก็ประการนั้นถ้าจะสรุปให้เหลือน้อยกว่า น, นั้นก็ได้นะคือเหลือแค่สองก็คือพระปัญญาคุณแล้วก็พระกรุณาคุณคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราแบ่งมาเป็นสองส่วนนะคือจิตนะกับปัญญา ที่เราจเจริญแต่ศึกขาเนี่ยนอกจากให้ศีลเจริญแล้วนี่ก็ให้จิตแล้วก็ปัญญาจเจริญถ้าจเจริญอย่างสูงสุดนะก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองพระปัญญาคุณนี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงความเข้าใจ การเห็นธรมการตัดสรุรธธรมอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งปล่อยวางซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มีความยึดติดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราอีกต่อไปถ้าเมื่อมมีความยึดมั่นเช่นนี้เนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ เม่มีปัญญาเช่นนี้เนี่ยไอความยึดถือในตัวตนก็ไม่เหลือไอเราไม่มีความเห็นแก่ตัวย่าง่นี่ก็ทำให้ไม่มีความทุกข์จะมาเกาะได้เพราะไม่มีตัวตนเป็นผู้ทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความทุกข์กายนะแต่ว่าไม่มีความทุกข์ใจ หรือไม่มีความรู้สึกว่าฉันทุกข์นะจึงพบกวับความสงบอย่างแท้จริงเป็นสุขอย่างแท้จริงในเวลาเดียวกันเมื่อไม่มีความเป็นแก่ตัวความกรุณาก็แผ่กว้างอย่างไม่มีประมาณความกรุณาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เนะมื่อไม่มีความเป็นแกลตัว ไม่มีความยึดติดถือมั่นนะในตัวตนหรือมีความรู้สึกสําคัญม่นมายตัวกูของกูก็จะเกิดกรุณาอันไม่มีประมาณนะไม่รู้สึกแบ่งแยกไม่มีความผิดแบ่งแยกระหว่างฉันกับคนอื่นนะเพราะว่าไอตัวฉันมันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วความกรุณาก็เป็นไปอย่าง ไม่เลือกที่หลักมาที่ชังไม่มีความสุขพวกเราพวกเขาอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยทรงรู้สึกอย่างไรกับพระราหุลหรือกับราหุลก็ทรงรู้สึกอย่างเดียวกับพระเทวทัตพระเทวทัตนี้ก็เป็นผู้ที่มุ่งร้ายหมายเอาชีวิตของพระพุทธองค์ หลายครั้งหลายคราแต่ว่าพระองค์ก็ไม่มีความเกลียดชังหรือความพยาบาทเลยทรงมีเมตตากับพระราหุลอย่างไรก็ทรงมีเมตตากับพระเทวทัตอย่างนั้นพระราหุล น, นี่ก็เป็นลูกนะของพระองค์แต่ว่าในความรู้สึกนี่ก็ไม่ได้ทรง ยึดมั่นถือมั่ น, นว่าพระหุ่นเป็นลูกของพระองค์มีความยึดติดว่าเป็นของเราไม่มีละก็มีความรู้สึกต่อ ส, สรรพสัตว์เสมอเหมือนกันหมดปัญญาแลกรุณานี่มันเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของนักปฏิบัติโดยมีพระพุทธองค์เป็นแบบอย่าง ปัญญานี่ทําให้พ้นทุกข์ไอย่างสิ้นเชิงทําให้ประโยชน์ทําให้กิจส่วนตัวเนี่ยจบสิ้นอยงที่พรจารัสว่าเนี่ยชาติสิ้นแล้วพรหมจรรอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำนะทาสําเร็จแล้วกิจที่ควรทําในที่นี้หมายถึงกิจส่วนตัวนะเมื่อกิจส่วนตัวจบสิ้นนะก็เหลือแต่ กิจเพื่อส่วนรวมมีชื่เพื่อยังประโยชน์ตนอะยังประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปปัญญานี้อาจจะหมายถึงความสามารถหรือการบรรลุซึ่งประโยชน์ตนเมื่อปัญญาจเจริญถึงที่สุดประโยชน์ตนก็พังพร้อมบริบูรณ์ ก็คือหมดความทุกข์ละมีแต่ความสุขหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของประโยชน์ท่านเป็นประโยชน์ท่านกิจของคนเรานะมันก็มีแค่2องอย่างเท่านั้นแหละคือกิจส่วนตนกับกิจส่วนรวมกิจส่วนตนก็คือการบรรเป็นประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมกิจส่วนรวมก็หมายถึงการบรรเป็นประโยชน์ท่าน พพุทธศาสนานี่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการทำแค่ประโยชน์ตนเท่านั้นแต่มุ่งที่ทำประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นเนี่ยมีวันสิ้นสุดนะคือพ้นทุกนี้ก็เรียกว่าจบละอกิจที่ควรทำส่วนตัวก็จบละเข้าถึงประโยชน์ตนอย่างสมบูรณ์ไม่มีความทุกข์มาแผ่วพาน แล้วประโยชน์ท่านนี้เน่ยมันไม่มีจบดนะก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแต่ทําเท่าไหร่ได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าบางคนนี่ทุ่มเทมากเรื่องประโยชน์ท่านแต่ว่าเผลอทุกข์หรือว่าทุกข์บ่อยๆจ ย, ยงคนที่เป็นมอเอ่อคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่นะ หลายคนก็ทุ่มเทเพื่อลูกแต่ว่าก็ทุกเพราะลูกมากคิดไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะลูกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการคาดหวังในตัวลูกด้วยยังมีความยึดมั่นถือมัน่นและการคาดหวังนั้นมันก็หนีไม่พ้นนะที่จะเป็นคาด เป็นการคาดหวังในลักษณะของตัวกูของกูอยากให้ลูกเนี่ยทำตามความเห็นของฉันฉันอยากจะให้ลูกเรียนหมออยากจะให้ลูกเรียนวิศวะแต่ลูกอยากจะไปเล่นดนตรีอยากจะไปเข้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อยากจะเป็นนักดนตรีตพ่อแม่ก็ทุกข์ใจเพราะว่าลูกไม่เชื่อฟัง ทำตามคำแนะนำของพ่อของแม่มันก็ยังมีเรื่องของอตัวกูของกูเข้ามาแม้ว่าในส่วนหนึ่งจะเป็นการทำเพื่อลูกหรือว่าทำด้วยความรักลูกก็ตามมันยังมีความเพิกแต่ตัวซ่อนเร้นอยู่ไละความเพิกแต่ตัวที่ซ่อนเร้นนี้ มันก็กลับมาทําร้ายนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทําร้ายจิตใจก็คือเป็นทุกข์เมื่อเห็นลูกไม่ได้ทําตามคําแนะนําหรือความเห็นความเชื่อของตัวหรือบางทีลูกแย้งลูกเถียงนะพ่อแม่ก็เป็นทุกข์บางคนผิดหวังนะกับลูกมาก จนเกิทำร้ายตัวเองอย่างแม่ที่มีแม่ที่ไม่สบายใจที่เห็นลูกเนี่ยเอาแต่เล่นเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์ก็ที่แรกก็แนะนำสอนแต่ลูกไม่ฟังก็ว่าเพราะว่าลูกลูกก็เถียง พอลูกเถียงแม่ก็โมโหก็ว่าลูกอย่างแรงลูกก็เสียใจน้อยใจก็เลยไม่พูดกับแม่พอลูกไม่พูดกับแม่แม่ก็เสียใจเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่พูดกับแม่ก็เลยพูดกับลูกนะยื่นคำขาดว่า ถ้าลูกไม่พูดกับแม่แม่จะฆ่าตัวตายให้ลูกมันก็ใจเด็ดยังมีทิฐิมาน้าอยู่ก็ไม่พูดกับแม่จริงๆแม่ก็เสียใจมากน้อยใจก็เลยตัดสินใจเดื๋นั้นเลยนะโดดไ ป, ไปที่ระเบียงแล้วก็โดดลงมาจากระเบียงตกมาข้างล่างบอกว่าตาย อันนี้ความความรู้สึกความคาดหวังในตัวลูกว่าลูกต้องเชื่อฟังแม่แม่อุตส่าห์ทำเพื่อลูกลูกต้องเชื่อฟังแม่พอลูกไม่ทําตามเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยแล้วก็ลืมตัวในต้องการเอาชนะลูกก็ด้วยต่างฝ่ายต่างอยากจะเอาชนะกันลูกอยากเอาชนะแม่ก็เลยไม่พูด แม่ขอร้องยังไงก็ไม่พูดลูกก็แม่ก็อยากเจาชนะลูกเธอไม่พูดกับฉันเลยเอานั้นฉันจะฆ่าตัวตายให้ดูมีบางลายนะลูกก็อายุ่50แล้วทะเลาะกับแม่ไม่รู้ทะเลาะกันที่ท่านไหนลูกก็ไม่พูดกับแม่ นานเป็นเดือนแม่ก็เครียดอาจจะป่วยอยู่แล้วด้วยก็เลยแขวนคอตายแล้ลูกก็มาเสียใจรู้สึกผิดนะที่ทำให้แม่ตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณานนะีว่าแม่ที่รักลูกแต่ว่าในความรักลูกของแม่แม่จะเป็นไปนด้วยเมตตากรุณาก็ตาม แต่ก็ยังเจือไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของตัวกูของกูว่าจะมีความเพียงแค่ตัวอยู่พอเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหวังก็เสียใจแล้วก็มีความโกรธความเกลียดตามมาความรับแบบนี้ยังก็ยังเจอไปด้วยทุกนะเพราะว่าขาดปัญญา ถ้ามีปัญญาเนี่ยไอ้ความยึดมั่นถือมันขนาดนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นหรือก็เห็นว่าเออมันก็ลูกนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เราเขาไม่ใช่เป็นของเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจปรารถนาของเราได้ถ้ามีปัญญาเห็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้ปล่อยวางเกิดมีวางใจเป็นอุบเบกขาได้ ก็คือว่าสอนแล้วแนะนำแล้วแต่เขาไม่ฟังมันก็ต้องทาใจละเป็นอุเบกขาอุเบกขาในที่นี้มันเกิดจากปัญญานะปัญญาที่เห็นความจริงเข้าใจความจริงว่ารูปไม่ใช่ของเรารูปไม่ใช่เราแต่ละคนเขาก็มีความคิดความเห็นของตัวเอง จะเรียกร้องบังคับคาดหวังให้เขาเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเป็นไปตามใจหวังเราไม่ได้อุเบกขาเช่นนี้ก็ทําให้ไม่ทุกนะแม้ว่าลูกจะเป็นอย่างนั้นเมื่อมีเมื่อไม่ทุกนะก็เท่ากับ ว, ว่าได้ทําประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ท่านก็ได้ทําแล้วลักษณะหนึ่งของปัญญาคืออุเบกขาอุเบกขาในที่นี้คือการวางใจเป็นปกติ ไม่ขึ้นไม่ลงแต่ไม่ได้แปลว่าการปล่อยป่าละเลยนะปล่อยป่าละเลยนั่นนั่นไม่ใช่อุเบกขาอุเบกขานี่ในเรื่องการทําจิตทําจิตซึ่งทําให้สามารถจ ะ, ะเผชิญกับอนิถารมได้โดยที่ไม่ถูกอนิถารมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งคนทั่วไปเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งเสียแทงจะเป็นคำต่อว่าดาทอหรือว่าคำสารเสริญเยินยอผู้ที่มีอุบกติขาก็จะไม่ฟูไม่แฟบจิตใจเป็นปกติได้เข้าสารเสรวนใจก็ไม่ฟูเขาต่อว่าดาทอใจก็ไม่แฟบ เขเห็นว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองโลกธรรมคือสารเสริญนินทา น, นี้เป็นธรรมดาโลกไม่ควรที่จะไปวันไหวใจกระเพื่มเพราะสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจผิดก็อธิบายเหตุผลไปอย่างที่พระเจ้าจัดว่าอย่างที่พระเจ้าในเวลามีคนมาต่อว่าหรือว่ามีคนที่เข้าใจผิดพระองค์พระองค์ก็อธิบาย ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียแต่อธิบายว่าที่เขาเข้าใจนั้นเนี่ยมันผิดอย่างไรและที่พระองค์เป็นจริงๆหรือสอนจริงๆเนี่ยสอนว่าอะไรก็อธิบายไปอันนี้เรียกเป็นการทํากิจนะทำกิจก็คือการชี้แจงจะไม่ชี้แจงเพราะความทุกเพราะใจที่วอนไหวเพราะกลัวเสียหน้าอันนี้ไม่มีเพราะว่าท่าน หลุดพ้นแล้วนะด้วยปัญญาแม่นใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์ลวปัญญาที่ถึงที่สุดก็ทำให้เป็นอุเบกขาเมื่อเจอโลกกตธรรมหรือว่าเมื่อทาอะไรแล้วเนี่ยสำเร็จก็ไม่ได้ดีใจไม่สำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่ได้เสียใจมีจิตเมตตาช่วยเหลือคนเต็มที่ แต่ว่าช่วยแล้วไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์นะพอรู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองปัญญาทำให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมมันก็ไม่สาเร็จแต่ไม่ได้ทุกข์อะไรพ็ไม่ได้มีความคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะด้วยความหวัง แต่ทำเพราะทำตามเหตุตามปัจจัยหรือทำด้วยอำนาจของความกรุ้นอาชี่ประเทศพมา่าในเมืองเมืองพุกามน่เป็นเมืองที่คนไทยนิยมไปเที่ยวมากเพราะว่ามีเจดีมีวัดวาอารามนี่เยอะมากยอยุธยานีสูไม่ได้แล้วก็เป็นเมืองเก่าเมืองแก่ว่อาอยุธยาสุปโปรไทยซิ มีวัดวัดหนึ่งคนไทยก็ชอบไปเพราะมีพระพทรูปที่เก่าแก่สูงก็ประมาณสักสิบเมตรได้คนไทยเรียกว่าพระพุทรูปยิ้มแล้วก็บึง้งยิ้มแล้วก็บึง้งคือมองไกลๆเนี่ยนะมองไกลๆเนี่ยพระพุทรูปนี้องค์นี้จะยิ้มนะแต่ถ้าเดินเข้าไปไกลๆเนี่ยรอยยิ้มจะหายไปอ่คนทั่วไปก็เรียกเป็นบึง้ง แต่อาตมาว่าเป็นอาการปกติมากกว่าอาการสงบมากกว่าที่ยิ้มเพราะอเพราะว่าทรงมีเมตตาตัวช่างเนี่ยก็ต้องการที่จะแสดงพุทธคุณสองประการใหญ่ๆก็คือเมตตาแล้วก็ปัญญา เมตตานี้ก็แสงออกด้วยรอยยิ้มนะเมื่อมองจากที่ไกลใครเห็นแล้วก็สบายใจมีความทุกข์ร้อนเจ็บนะป่วยลูกไม่สบายหรือว่าเป็นนี่เป็นศีลร้อนอกร้อนใจพอจะมากราบพระพุทธองค์พระพุตรรูปนี้นะเห็นรอยยิ้มแยมประสว่วนของพระองค์เนี่ยใจก็สบายนะ้ว แต่พอเดินเข้าไปนิดนี่ช่างเขาก็แสดงให้เห็นความเป็นผู้เบกขาของพระพุทธองค์ไปดูเบคกขาเพราะปัญญาก็คือว่าใจนิสงบปกติไม่ฟูไม่แฟบไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าติทารมหรืออนิถารลมบังเกิดขึ้นนะก็เป็นปกติได้ ตว่าคนที่ไม่เข้าใจก็ไปคิดว่าอันนี้เป็นการบึ้งนะเป็นอาการบึง้งในทีนี้เนี่ยเมื่อเราเมื่อเรารู้แล้วว่าพระพุทธคุณนะสำคัญของพระองค์เนี่ยก็คือปัญญาและกุณาซึ่งทําให้สามารถจะทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมได้ทําประโยชน์ท่าน อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็มาใช้เป็นเครื่องเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมของเราก็าคือว่าเรามีปัญญามีความเข้าใจชัดเจนมากเพียงใดไม่ต้องเกี่ยวกับโลกภายนอ ก, ก น, นะแต่ว่า เอาแค่เรื่องกายของแกกายและใจของเราก็พอ <Yeah. S 1> การเจริญปัญนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อทําให้เกิดปัญญากรรมฐานในพุทธศาสนาไม่ได้หยุดที่สมถกรรมฐานคือว่าความสงบใจแต่ว่ามุ่งไปที่วิปัสสนาวิปัสสนาก็คือความสว่างสวยัยหมายถึงปัญญานั่นเอง เป็นความรู้ความเข้าใจมันไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะมันเป็นความเข้าใจแจ่มแจ้งที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งในกายและใจซึ่งที่จริงก็ไม่แยกจากความรู้แจ้งในทางโลกหรือว่าความรู้แจ้งเกี่ยวกับโลกนะเพราะว่าโลกนะกับกายและใจเนี่ยมันก็อันเดียวกันก็คือมันมันหนีไม่ค้นขันท่า แะขันธ์ท่าเนี่ยมันก็มีลักษณะอาการเดียวกันก็คือมันมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและความจริงเหล่านี้เนี่ยจะเห็นจากอะไรจริงก็เห็นได้จากทุกข์นะหรือจากอนิธารลมหรือจากอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจของเรา ความโกรธความเกลียดความโรคความหลงเนี่ยที่เกิดขึ้นในใจสำหรับหลายคนเนี่ยมันทำให้ทุกข์มันทาให้ร้อนรุ่มมันทำให้กลุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าสำหรับนักภาวนาหรือนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยในสิ่งเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้นี่แหละมันมันสอนธรรมให้กับเราได้ มันสอนเรื่องใจรักให้กับเราสอนให้เห็นว่าอารมณ์เหล่านี้มันมาแล้วก็ไปมันมาอยู่เพียงชั่วคราวมันไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันก็ตั้งมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้หรือท่านใช้คำว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ก็คือทุกข์ขังมันต้องเสื่อมไปต้องดับไป แล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะเห็นจะมีปัญญาเห็นความจริงอย่างนี้ได้เนี่ยต้องมีสติมากพอพอถ้ามีสติเนี่ยพอโกรธเกิดขึ้นพอเกลียดเกิดขึ้ น, พ อ, นพอความโลภเกิดขึ้นใจมันเข้าไปเป็นเลยเป็นผู้โกรธผู้เกลียดผู้โลภนะรวมทั้งความเหงาความเบื่อความเซ็งก็เป็นตะพึตตะพื้นไปหมด แต่ว่าถ้ามีสติเนี่ยมันก็ทาให้จิตเนี่ยหลุดออกมามาเห็นหรือเป็นผู้เห็นแทนแล้วม่เห็นเนี่ยเห็นอะไรก็เห็นความจริงเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นอารมณ์เหล่านี้ก็เป็นสภาวะเหมือนกันนะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเห็นมันเมื่อดูมันมันก็จะเห็นหรือแสดง อาการหรือลักษณะที่เราไต่ลักให้กับเราแต่ว่ามันต้องเห็น บ, บ่อยๆนะต้องเห็น บ, บ่อยๆเห็น บ, บ่อยๆจนกว่าใจเนี่ยมันจะยอมรับในในไตลักได้หรือว่ากิเลสเนี่ยมันยอมแพ้ไปกิเลสมันก็พยายามขวางกั้นนะไม่ให้ไม่ให้เห็นตรงนี้ความวมั่นถือมัน่นมันก็ยางหนานแน่น ก็ทำให้ไม่ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยไอ้ความยึดติดในตัวกูของกูนี่มันแน่นหนามะาตัวกูนี่มันมันมันไม่ยอมที่จะที่จะเปิดใจของเราให้เห็นความจริงว่าแท้จริงตัวกูไม่มีมันเป็นความจริงที่รับได้ยากมากว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวกู เพราะนั่นเนี่ยมันต้องเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยสติเพราะสติเนี่ยมันทำให้ไม่เข้าไปเป็นไม่คข้าไปเป็นกับอารมณ์ใดๆอย่างที่หลวงพอ่อเอามคิียว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนะคือไม่เข้าไปเป็นกับอารมณ์ใดๆไม่ว่าบวกหรือลบแต่ว่าออกมาดูมาเห็นก็เห็นของจริงนั่นแหละ จีร่เห็นแล้วเนี่ยมันก็ดับไปเห็นแล้วมันก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นเห็นมันมันก็ดับไปพอดับไปก็เกิดความสงบความสงบตรงนี้จะเลืยกเป็นสมถะก็ได้คนที่ปฏิบัติคนที่เจริญสติมากๆเนี่ยแล้วก็ถึงจุดหนึ่งใจมันก็จะสงบมากเลยอรารมณ์มารบ ก, กวนน้อยมารบ ก, กวนไปเดี๋ยวเดียวก็หายไปเพราะว่า มีสติรู้ทันพอสงบแล้วหลายคนก็พอใจกับความสงบติดสงบนะอันนั้นก็เป็นอนะันตรายเพราะว่ามันยังมีกิจที่ต้องทำอยู่ติดสงบนีนะ้มันทำให้บางทีไม่อยากจ ะ, ะก้าวหน้าต่อไปเลยเพราะว่าเพลินเสร็จแล้ว ใจ ต, ต้องทำต่อไปก็คือไปดูนะไปเห็นที่เรียกว่าใช้ควาว่าพิจารณาพิจารณาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นพิจารณาจนกระทั่งเห็นความเป็นตลลักของมันอันนี้เป็นเป็นแต่การจะเข้าไปพิจารณาได้เนี่ยต้องเห็นนะว่าแค่ความสงบไม่พอ นักปริบัติรมพอสงบแล้วก็ติดอย่างที่ว่าหลวงพ่อเทียนท่านก็เห็นนะปัญหานี้ท่านถึงให้เปิดตาท่านถึงให้ใช้การเดินจงกรมการสร้างจังหวะและแม้เพียงนั้นเนี่ยมันก็ยังสงบได้นะท่านถึงให้แนะนำว่าคนที่พอสงบนานๆมากๆบ่อยๆเนี่ยต้องเล่นให้เร็วขึ้น เดินจงกลมให้เร็วขึ้นสร้างจังหวะให้เร็วขึ้นนะเพื่อฉันใช้ว่าเพื่อปลูกธาตุรู้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือว่ามันทําให้ไปกระตุ้นไในขยาไอ้ความไปขยาวความคิดอารมณ์ต่างๆต่างๆให้เกิดขึ้นพอทําเร็วๆนความคิดก็ออกมามากขึ้นออกมามากขึ้นแล้วมันดียังไงมันก็เป็นคู่ซ้อมให้กับสติสติก็มีคู่ซ้อมนะมีคู่ซ้อมอยู่เรื่อยๆ ก็จะเข้มแข็งขึ้นปราดเปรียวชับไว้ขึ้นถ้าสงบ ม, มากๆสติมันก็ไม่มีคู่ซ้อมมันก็เฉยนะเหมือนกับนักมวยเนี่ยนักมวยที่เก่ง ม, มากๆจนกระทั่งไม่มีคู่ซ้อมเลยเนี่ยก็ไม่ได้ทดสอบฝีมือเอาแต่นั่งๆ น, นอนๆเพราะไม่มีคู่ซ้อมกำลังก็ตกความสามารถก็ ค่อยๆลดน้อยถอยลงความว่องไวปราดเปรียวกระฉับกระเฉงก็จะค่อยหายไปต้องมีคู่ซ้อมต้องมีคู่ซ้อมทุกวันสำหรับนักมวยระดับโลกสติของเราก็เหมือนก็เหมือนกันนะนก็ต้องมีคู่ซ้อมแต่ว่าถ้าเกิดจิตมันสงบมากเนี่ยคู่ซ้อมไม่ออกมาไม่มีการบ้านได้ทำก็จะเรืองั้นการที่ทำเร็วๆ เนร็วๆยกมือเร็วๆ เ, เนี่ยมันมีเปียวตรงนี้และเพื่อไม่ให้ติดสงบด้วยคราวนี้เนี่ยการที่จะการที่จะเห็นเห็นธรรมจากพวกอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยหม่ๆมันก็ยากนะเพราะเวลาเราเจออารมณ์พวกนี้เนี่ยใจมันก็ไม่ชอบอจะไปกดคมมัน พอเราพอเราก็าไปกดคมมั น, นแทนที่มันจะหายไปนะมันกลับมารังควาเราหนักขึ้นยิ่งผลักสายยิ่งยึดติดนะอันนี้จําไว้เลยนะยิ่งผลักสายก็ยิ่งยึดติดเราเกลียดใครเราโกรธใครเราไม่อยากเจอหน้าเขาแต่เรากลับยิ่งคิดถึงเขาบ่อยมากเลยจะคิดถึงเขาอยู่นั่นแหละ ยิ่งโกรธใครยิ่งเกียดใครก็ ย, ยิ่งถึงเขาบ่อยๆกินก็คิดนอนก็คิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรามีสตินะเออมันก็จะทําให้รู้ทันไอ้ความรู้สึกเป็นลบปฏิเสธผักใสหรือความรู้สึกโกรธเกลียดที่มันเกิดขึ้นก็จะถอนจิตออกมาจากความโกรธเกลียดได้ ความโกลัยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วนะเพราะว่าไม่เข้าไปเป็นมันตะเห็นแทนออกมาเป็นผู้เห็นแทนโกรธแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าหากว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเกลียดแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าว่าเห็นมันไม่เข้าไปเป็นเห็นมันเกิดขึ้นในใจคือเห็นอาการของมันแต่ไม่เข้าไปเป็น จริงปัญญานี่ยังเกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้จักพิจารณาโลกภายนอกอย่างเช่นเราเห็นความเป็นไปของผู้คนแล้วเราก็พบว่าสารเสริญกับนินทาเป็นของคู่กันได้กับเสียเป็นของที่มาคู่กันมีแล้วก็หมดนะพบแล้วก็พลาดเจอแล้วก็จาก อันนี้มันเป็นธรรมดาเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ช่วยทาให้ใจเราปล่อยวางได้นะเวลามีเราก็ไม่ดีใจมากเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าไม่นานมันก็ไปเวลาพบเราก็ไม่ได้ดีใจมากเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปงานเลี้ยงก็ไม่ได้ดีใจมากเพราะรู้ว่างานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลามันก็ทาให้ใจเป็นเบคคาได้ไม่ฟูไปกับ อิทารมแล้วก็ไม่แฟงไปกับอนิถารมอันนี้ก็เราเป็นปัญญาเหมือนกันนะคือความความเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตัทธตาเป็นเช่นนั้นเอง้ององโลกธรรมนี่มันเป็นเช่นนั้นเองจะให้มันเป็นอื่นไปไม่ได้มีลาบแต่ว่าไม่เสื่อมลาบเนี่ยเป็นไปไม่ได้มียศและไม่เสื่อมยศเป็นไปไม่ได้ มีพบแล้วไม่พลากเนี่ยเป็นไปไม่ได้เจอแล้วก็ต้องจากในที่สุดมีแล้วก็ต้องหมดได้แล้วก็ต้องเสียอันนี้ก็ช่วยทำให้ถ้าหราพิจารณาดีๆเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นได้นะว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเราก็ไม่ยินดีกับมันเมื่อได้แล้วเราก็ไม่ใจไม่ยินร้ายเมื่อเสียไปใจก็เป็นปกติได้อุเบคาแล้วก็ตามมา พิจารณาแบบนี้จากโลกภายนอกก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องเกิดขึ้นจากการที่มาดูกายใจนยจนเห็นความจริงของกายและใจมันแสดงตัวออกมาชัดเจนให้เห็นจนกระทั่งหมดความยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลยที่เคยยึดมั่นว่า เคยยึดหรือเคยอยากให้มันเที่ยงก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงสักอย่างเลยที่เคยยึดเคยอยากให้มันสุขไม่ว่าร่างกายนี้หรือว่าข้าวของเครื่องใช้สิ่งเสพก็เพราะว่ามันไม่ให้ความสุขกับเราเลยมันพร่องมันมีโทษเจือปนอยู่เสมอที่เคยยึดเคยอยากว่าเป็นเราเป็นของเรานมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนได้เลยสักอย่างเดียว ในความเห็นอย่างนี้แหะที่ทําให้ความพิความอยากมันจางคลายจนกระทั่งหมดไปพอหมดไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะทําให้ทุกได้คําต่อว่าด่าท้อก็ไม่ทําให้ทุกเพราะทีแรกก็รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาของโลกธรรมสารเสริญนินทานเป็นองค์ู่กันแต่ต่อมาสาเหตุที่ทําให้ไม่ทุ ก, ก็เพราะว่าไม่มีตัวกูที่จะกที่จะทุกนะเพราะว่าคำต่อว่า ไม่มีน่าจะให้เสียเพราะไม่ได้ยึดมั่นในหน้าตาศักดิ์สิทธิน้าตาใดที่ยังมียังยึดมั่นในหน้าตายัางศักดิ์สรีเนี่ยมันก็ต้องวันไว้ต่อคำต่อว่าคำติฉินยิงทา่าแต่พอไม่มีตัวตนจะให้ยึดเพราะรู้ว่ามันไม่มีเพราะรู้ว่ามันไม่มีตั้งแต่แรกมันก็มมีความยึดความหลง ความยึดในหน้าตาศักดิ์ศรีต่อไปท่านใครจะมาต่อว่าดาทอก็ไม่รู้สึกอะไรมันไม่มีตัวกูพูดทุกตั้งแต่แรกแล้วมันก็เป็นลำดับท่านของปัญญาทีแรกก็เห็นว่ามันสารเสรินินทาเป็นของธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเองเจอแล้วก็ไม่ทุกเพราะมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ต่อไป มันไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์นะเพราะว่าตัวตัวกูหรือตัวตนมันไม่มีละไม่เหลือละคือไม่ได้ยึดมันเลยที่จริงมันไม่มีไม่เหลือตั้งแต่แรกแล้วเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยยังโ ง, ง, ง่อย่ังหลงหยือก็ไปยึดมันว่ามีแต่พอรู้ความจริงว่าไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ว่างพอว่างแล้วใครว่าอะไรก็ไม่สะเทือนอันนี้ก็ททำให้ใจสงบได้เกิดความสงบเย็น สิ่งที่เหลือก็คือการใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองคนเราก็จริงๆแล้วหน้าที่มีแค่2ออย่างอย่างที่อาจารย์พุทธทาสพูดชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นไม่ใช่เพียะแค่มีสมาธิหรือมีสติเท่านั้นแต่เพราะว่ามีปัญญาด้วยจึงสงบเย็นอย่างแท้จริงเพอสงบเย็นแล้วก็ชีวิตนี้ก็ ทำเพื่อผู้อื่นละทำด้วยความเมตตากรุณาอย่างแท้จริงให้เราเอาสองอย่างนี้มาใช้เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของเราได้ว่าเราสงบเย็นไหมภายในและได้เป็นประโยชน์บ้างหรือเปล่าหรือมากแค่ไหนเอาละช้านี้งภพกัทนนี้ ก, กระหัก